เพื่อไม่ซ้ำเติมตัวเองมากเกินไปเมื่อบวชเป็นพระแล้วความเป็นอยู่ค่อยดีขึ้นจากการอุปถัมภ์ดูแลของคุณแม่เติมกล้วยไม้นายุทยาและคุณนาสํมอางชูเกศและญาติโยมคนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อนๆ น, นผู้ไปมาหาสู่มักจะทักว่ามีน้ำมีนวลดีขึ้นกว่าสมัยเป็นสมมาเนรเมื่อเป็นสมมาเนร น, น้นผอมมาก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 คุณสุวรรณเรียนจบมหาวิทยาลัยสมมหามกุลแล้วศึกไปทํางานกรมประชาสงเคราะห์จนได้เป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดคุณเกลียงศักนั้นเรียนมหาวิทยาลัยสมมหามกุลได้เพียงเตรียมปีที่สองแล้วสอบ ม, มแปดได้ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์จบแล้วเป็นอัยการจนกรเกษียณอายุทั้งสองคนนี้